เขาพูดอะไรอย่าไปเชื่อเขาเขาชมว่าเจ้านั่งสวยอย่างนี้พวกลิ้นน้ำพึง่งปากน้ำตาลผู้จาหวานดีแต่ความจริงใจไม่มีถ้าไม่เชื่อพี่เจ้าอาจเสียใจเขาพูดอะไร อย่าไปเชื่อเขาเขาว่ารักเจ้าคนเดียวใช่ไหมรู้ไหมเมื่อวานว่าเพี้ยนเขาไปกับใครถ้าหากไม่อยากช้าใจลองคิดดูไหมยังมีเวลารอหันอากาศแต่ถ้ามันขาดพอไกลจะพูดอย่างไรยังไงมันก็ไม่รัก ฟังพี่สักหน่อยอย่าไปกับเขาบ่อยนักเจ้าอาจเป็นสาวอกหักอากหลงรักชายปากหวานเขาพูดอะไรอย่าไปเชื่อเขาคำที่เตือนเจ้าอาจฟังไม่ว่ า, านพี่คนพูดน้อย กลัวน้องรำคาญเชื่อพี่เธอะแม่ตาวานที่พูดมานานเพรามีรักจริง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 อย่าไปเชื่อเขาคำที่เตือนเจ้าอาจฟังไม่หวานพี่คนพูดน้อยพูดบ่อยๆกลัวน้องรำคาญเชื่อพี่เธอแม่ตาวานที่พูดมานานรบพี่รักจริง